50 languages. Eighty. Yembatu. Kam k ุ n a s a p Three. อาไนาย ด, ดดดะเธอมีสุนัขตัวใหญ่หนึ่งตัวอาเวลาบัลวดดดดาย อ, อเดเธอมีบ้านหนึ่งหลังเอาวลุวนดนเนน ด, ดเบ้านหลังเล็กอ า, านิจิกกัเธอมีบ้านหลังเล็กหนึ่งหลัง อวลูกุนดูชิคก้าด้าด้ามันยันนู้หุ่นดิดด่าเลเขาพักอยู่ในโรงแรมหนึ่งแห่งอวนลูกุดูวสชติกรหดัลลีว่าสิสุติดดานะโรงแรมราคาถูกอดูอั๋งด้าวัชติกรห์เขาพักอยู่ในโรงแรมราคาถูก อวันุวุนดูอากาศาวาสัตยิกรหัดลลีวาสิสุติดานีเขามีรถหนึ่งคันอวันบลีวุนดูคารอิเดเรถราคาแพงอัคารตุมบาดูบารีเขามีรถราคาแพงหนึ่งคันอวนบับดีดบารียาดา เขาอ่านนิยายหนึ่งเรื่องอาโนวนดูคัตปพุสตคัมภโน้วดุดตานะนิยายน่าเบื่ออ่าคัตปพุสตคัมนีรสวากิเดเขาอ่านนิยายน่าเบื่อหนึ่งเรื่องอาโนวนดูนีรสวาดาคัตเปพุทธคัมภโน้วดุดติดดานะเธอดูหนังหนึ่งเรื่อง เอาวัลลูวันดูชิตรวรรณนูนอดุติดด่าเลหนังน่าตื่นเต้นอาชิตรส์สวารสเซคคาราวเดเธอดูหนังน้าตื่นเต้นหนึ่งเรื่องเอาวัลลูวันดูสวารสเซคคาราวาดาชิตรวรรณนูนอดุติดด่าเลคารุณาไปที่ www t book 2